เช้านี้นะเราจะได้มาเรียนรู้สิ่งสําคัญในชีวิตยอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักกินหรือว่ารู้จักฉันนะกินให้เป็นอันนี้เป็นบทเรียนข้อแรกเลยนะสำหรับพวกเราในเช้า ว, วันนี้กินให้เป็นนี่ไม่ได้แปลว่ารู้จักตักใส่ปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลือลงไปอันนั้นยังไม่เรียกว่ากินเป็นนะกินเป็นก็คือรู้ว่ากินเพื่ออะไรหรือควรจะกินเพื่ออะไรนะโดยเพาเรานักบวชเนี่ยนะ ไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยเรากินเนี่ยนะก็เพื่อบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพดีเพื่อบำบัดความทุกข์ความทุกข์คืออะไรความหิวโหยนะอย่างพวกเราตอนนี้ก็คงหิวกันแล้วนะเมื่อเช้าก็อาจจะเติมอะไรนิดหน่อยนะแต่ก็ยังไม่พอ เ, เรียกบำบัดทุกขเวทนาบำบัดทุกข เ, เวทนาให้หายหิวแต่ว่าบางอย่างที่เราเติมเข้าไปเนี่ย ติมข้าไปใส่ท้องแม้มันจะทําให้หายหิวนะแต่มันอาจจะเป็นโทษในระยะยาวนะหรือว่าจะเป็นโทษนะทันทีที่เติมเข้าไปก็ได้เพราะว่าถ้าเติมเยอะไปนะกินเยอะไปมันก็จุกทมันก็แน่นท้องและบางทีของที่กินเนี่ยอร่อยก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นโทษกับร่างกายไอทําให้ท้องเสียได้อันนี้เรียกโทษระยะสั้นโทษระยะยาวคือว่ากินมากๆนี่มัน อาจจะกลายเป็นส่วนเกินคือไขมันไขมันนี่พอมันสะสมมากเข้าในเส้นเลือดเราตามเอาเอาแวต่างของเราเราก็ป่วยง่ายเช่นเป็นโรคหัวใจนีโรคหลอดเลือดอสมองหลอดเลือดหัวใจมันแข็งเนี่ยอยางนี้เป็นกันแล้วนะอายุ1ิบเนี่ก็เริ่มเป็นกันแลนะเนี่ยเพราะว่าเรากินตามใจปากมากไปกอย่างนี้เรากินไม่เป็นนะก็คือกินเพื่อความอร่อยนะ เอาความอร่อยเนี่ยถ้าใครกินเพื่อความอร่อยอย่างนี้เรากินไม่เป็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่กินเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นโทษนะเป็นผลเสียกับร่างกายเราได้กินแล้วป่วยเนี่ยจะเรียกว่ากินเป็นได้ยังไงนะไม่ว่าป่วยระยะสั้นหรือป่วยระยะยาวเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกนะฝึกการกินให้เป็นคือกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีคือมีสุขภาพนะไม่ใช่เพื่อนะให้ร่างกายมันร่าสันจะได้อวดคนว่านี่ฉันนี่นะ เป็นอ่าเป็นคนแข็งแรงนะเราไม่ได้กินเพื่ออวดนะไม่ได้อวดด้วยร่างกายของเราหรือไม่ได้อวดว่าฉันร่ํารวยฉันกินของหรูเดีย๋ยวนี้เราเลือกกินนะเลือกกินของที่มันแพงกินในติมเนี่ยต้องกินของเซเวนเส้นนะต้องกินอ่าไอติมราคาแพงๆเงี้ยอันนี้ก็เรียกกินไม่เป็นนะเพราะว่ากินเพื่อสนองกินเลศแล้วก็อย่างสิ้นเปลืองด้วยแล้เวลาเราตับ ไปตักอาหารเนี่ยพิจารณาก่อนนะหรือเตือนใจเราก่อนว่าที่กินนี่เพื่อสุขภาพเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีนะสามารถทำงานทําการต่างๆได้นั้นก็ต้องเลือกนะว่าจะกินอะไรบางคนที่ตักแต่เนื้อนะตักแต่เนื้อนี่ผักไม่เอาเลยนะอันนี้เรียกว่ากินไม่ถูกกินไม่เป็นเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องความถูกต้องคืออะไรความตถูกต้องคือร่างกายเราก็ต้องการ เส้นใยอาหารด้วยนะซึ่งก็มันก็มีในผักนะกินอาหารให้ครบหมู่ให้ครบหมวดนะห้าหมูนะโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินนะไม่ใช่กินแต่ไขมันกินแต่โปรโตีนแต่ว่าไอ้อย่างอื่นไม่กินนะหรือว่ากินแต่เนื้อไม่กินผักนะอันนี้ก็ร่างกายเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะงั้นมาที่นี่ก็ต้องกินผั ก, กเยอะๆนะ นะกินผักเยอะๆนะเพราะว่าผักนี่โอ้มันช่วยร่างกายเราหลายอย่างนะช่วยขับถ่ายแล้วก็ช่วยทําให้ไม่เป็นมะเร็งลําไส้ในระยะยาวนะอันนี้เราอยากกินรู้จักเลือกกินคือกินอาหารเนี่ยนะโดยเน้นถึงสุขภาพนะไม่ได้กินเพราะว่ามันสวยไม่ได้กินเพราะว่ามันอร่อยอร่อ ย, อ, อ, ยอันนี้ก็สําคัญอยู่นะแต่ว่าเอาไว้ทีหลังนะเป็นเรื่องรอง ถ้าเราเอาความอร่อยเป็นหลักนี่สุขภาพเราก็แย่เหมือนกันนะเพราะบางคนเนี่ยกินแต่ขนมกินแต่ของหวานนะข้าวไม่กินอาหารไม่เอานะอย่างนี้เนี่ยจะมีสุขภาพดีได้ยังไงนะฉะนั้นต้องรู้จักเลือกนะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะอันนี้เรียกว่าอ่รู้จักเลือกคุณภาพของอาหารปริมาณก็สำคัญนะเลือกปริมาณคือว่า ให้มันพอกินอย่าตักเกินตอนนี้หิวเนี่ยนะเห็นอะไรก็อยากกินเป็นหมดแต่พอกินไปได้สักห้านาทีสินาทีเนี่ยไอ้ที่ตักมาเนี่ยเริ่มจะอยากจะไปทิ้งละเพราะมันอิ่มและกินไม่หมดนะตอนก่อนกินกับพอกินไปได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะความรู้สึกเราจะต่างกันนะลองสังเกตก่อนกินนี่โอ้เห็นอะไรก็อยากตัก ตักใยตักตักตักตั ก, ต, กตักใส่บาตักใส่จานนะแต่พอกินไปได้ห้าทีสมาธิไอ้ความอยากมันหายไปแล้วนะลองสังเกตดูความอยากของเราไอ้ที่อยากกินขนมที่ตั้งมาเยอะๆนี่ไม่อยากเอาแล้วอยากจะไปไปไปแจกเพื่อนมากกว่าอันนี้ก็ไม่ถูกนะเราต้องรู้จักนะกินพอประมาณกินพอประมาณอย่าตักเหลือ นะเพราะมันจะกลายเป็นของเสียไปนะเสียดายของขอานนี้นอกจากกินอะไรกินเท่าไหร่แล้วนะต้องพิจรารณาเรื่องกินอย่างไรด้วยกินอย่างไรมาครับมากินอย่างมีสติกินอย่างมีส ต, อสติอย่างมูมาม <c oughs> อ่าตอนที่เราเริ่มกินใหม่ๆนี่โอ้มันหิวเนี่ยของก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นก็กินใหญ่เลยในเรื่องมูมาม ระวังนั่นมันติดคอระวังน้่จะเคี้ยวไม่ละเอียดนะก็ทำให้ท้องอืดได้กินอย่างมีสตินะก็คือว่าใจอย่าไปลอยคิดโน่นคิดนี่นะมันมีหลักนะขอขสอนวดีบอกเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะเดินทีละก้าวอย่าเดินทีละหลายก้าวเดี๋ยวหกล้มสะดุดขากินข้าวทีละคำนะคำนี้ก็พอดีปากนะ อย่าอย่าไปพยายปากินทีเดียวหลายคําทําทีละอย่างนะครับว่าเวลากินก็กินอย่าพึ่งไปคิดอะไรนะอย่าพึ่งใจลอยนึกถึงวันกลับแล้วนึกถึงวันศึกแล้วนะสิบสอเมษายนนี้เสร็จแล้วจะไปไหนนะบ่แค่วันเดียวนึกถึงนึกวันศึกแล้วเนะี่ยทำทีละอย่างนะทำทีละอย่างนี้แล้วมีสติที่จริงตั้งแต่อาบน้ําถูฟันนะเก็บที่นอนคลองจีวรใส่เสื้อผ้านะใจก็ไม่ต้องคิดอะไรใจก็อยู่กับการทําสิ่งนั้นแหละ นะทำทีละอย่างจะฝึกสติได้ดีมากต่อไปเราจะมีสมาธิถึงเวลาเราเรยหนังสือนะถึงเวลาเราไปอ่านหนังสือนะใจเราก็อยู่การอ่านหนังสือจะไม่วอกแวกไม่คิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปเล่นเกมออนไลน์นะมันจะไม่มีความคิดเหล่านี้มารบกวนใจเราจะมีสมาธิกับการอ่านเพราะว่าเราฝึกทําทีละอย่างนะเวลาเล่นเราก็เล่นจริงๆนะเวลาเรียนเราก็เรียนเต็มที่เนะี่ยนี่เรียกว่าทําทีละอย่าง ไม่ใช่เวลาเรียนก็นึกถึงเล่นเวลาเล่นก็นึกถึงการบ้านที่ยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยมันไม่มีสมาธิสักอย่างเลยและอย่างนี้นก็คือการกินด้วยความรู้สึกสำนึกบุญคุณนะสำนึกบุญคุณของทุกอย่างทุกคนที่ทําให้เรามีอาหารในวันนี้คนที่เขาถวายอาหารให้เราเนี่ยนะเขาไม่ได้มีหน้าที่เลยนะเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะคิดว่าเออพ่อแม่มีหน้าที่ทําอาหารให้เ ร, เรากินพ่อแม่มีหน้าที่ซื้ออาหารอร่อยๆให้เรากิน บางคนคิดแบบนี้นะแต่ว่าคิดแบบนั้นก็ยังไม่แย่เท่ากับว่ามาคิดว่าเนี่ยอาหารที่เรากินวันนี้เนะี่ยเขามีหน้าที่มาให้เราเขาไม่มีหน้าที่เลยนะเพราะว่าหลายคนที่ถวายอาหารเขาก็ไม่รู้จักเราแต่เขาศรัทธาเราก็ศรัทธาที่เรานะเป็นนักบวชนะนุ่งเหลืองห่มขาวเขาศรัทธ า, าก็เลยอาหารอาให้ต้องขอบคุณเขานะสำนึกในบุญคุณของเขารวมทั้ง คนอื่นด้วยเช่นชาวนาวชาวไร่นะแม้แต่ชาวสวนที่ทําให้เรามีข้าวมีผักแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะสัตว์ใหญ่ก็มีหนะ้าที่เขาสละชีวิตใ ห, ให้เราเพื่อเป็นอาหารต้องขอบคุณเขานะนะไม่ใช่ว่าของแบบนี้มีเงินแล้วจะซื้อได้หรือว่าชี้นิ้วแล้วจะมีคนนามาให้เราต้องสํานึกในบุญคุณของสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสัตว์รวมทุกคน ที่ทำให้เรามีอาหารกินในวันนี้แล้วก็น้ําดื่มด้ว ย, เ, ยเมื่อเราสมนึในบุญคุณแล้วเราจะได้รู้จักใช้ชีวิตให้มีประโยชน์มีคุณค่านะแล้วเพราะเหตุว่ามันเป็นของที่เขาถวายด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าบ่นนะอย่าบ่นว่าเออทาไมอาหารไม่อร่อยไม่ถูกปากนะเรามีกินนี่ก็โชคดีแล้วนะเขาให้ด้วยศรัทธานี่เราก็ต้องขอบคุณเขานะแล้วก็ตอบแทนคุณด้วยการที่เรากินโดยไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภาย แล้วก็ใช้ช่วงนห้เป็นประโยชน์นะในแต่ละวันแต่ละวันเช่นตั้งใจเรียนนะศึกษานะศึกษาสิ่งที่หลวงพ่อหลวงพี่แล้วก็คุณป้านะทั้งหลายเนี่ยหรือว่าคุณนาเนี่ยมาช่วยเรานะเราจะไดะ้เรียนรู้สิ่งดีๆนะที่จะทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความภาคภุมใจ